2เวทนาติกะ 1. ปฏิจจวาน 1. ปั่งยานุโลมหนึ่ ง, ว, ง, งวิพังขวาลเหตุปัจจัย 1. สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้น ขันหอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสองอาศัยขันหนึ่งที่ ส, สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นううขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้น ขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมาสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมทีมสส่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมาสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมาสุขเวทนาเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสองอาศัยขันหนึ่ง ที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมะสุขเวทนาเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้นอารามณปัจจัยเป็นต้น 2. ส, สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยเพราะอธิปฏิปัจจัยในวงเล็บอธิปฏิปัจจัยไม่มีปฏิสนธิเพราะ อนันตรปัจจัยเพราะสมนันตรปัจจัยเพราะสหชาตปัจจัยเพราะอัญญามัญญาปัจจัยเพราะนิสัยปัจจัยเพราะอุปนิสัย ป, ปัจจัยเพราะปุเรชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์สองอาศัยขันธ์หนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นขันธ์หนึ่งอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นขันธ์อาศัยหาไยวัตถุกเกิดขึ้นเพราะปุเรชาตปัจจัยในมุงเล็บย่อ อาเสวนาปัจจัยเป็นต้นสสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที mm ่สามประยุท uh ธ์ด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาเสวนาปัจจัยเพราะกรรมปัจจัยเพราะวิปากปัจจัยได้แก่ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะขันสองอาศัยขันหนึ่งที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ส <e ัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะวิปากับปัจจัยได้แก่ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่สรคตด้วยทุกข์และกายวิญญาณเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้น สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขะมัสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมัสุขเวทนาเกิดขึ้นพระวิปากัปัจจัยได้แก่ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่เป็นที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมัสุขเวทนาเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสองอาศัยขันหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมัสสุขเวทนา เกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้นอาหารปัจจัยเป็นต้น 4. สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาหารปัจจัยเพราะอินตริยปัจจัยเพราะชานปัจจัยเพราะมาัคคปัจจัยเพราะสัมปยุตตปัจจัยประวิปยุตตาปัจจัยได้แก่ Kathleen ขันสองอาศัยขันหนึ่ง ที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเกิดข <eman crash ngày> ึ้นขันหนึ่งอาศัยกันสองเกิดขึ้นขันอาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้นพระวิปยุตตปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันสองอาศัยขันหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยกันสองเกิดขึ้นขันอาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้นพระวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาศส่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้น พระวิปยุตตาปัจจัยได้แก่ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่สัมปยุติด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้นอาศัยหทัยวัตขขันอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นพระวิปยุตตาปัจจัยสภาวธรรมที่สัมประยุติด้วยอทุกขมสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่สามประยุติด้วยอทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้น พระวิปปยุตตาปัจจัยได้แก่ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่สัมปยุตด้วยทุกขมาสุขเวทนาเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้นขันอาศัยอาศัยวัตถุเกิดขึ้นพระวิปปยุตตาปัจจัยในปฏิตนทิขณะขันสองอาศัยขันหนึ่งที่สัมปยุตด้วยทุกขมาสุขเวทนาเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้นขันอาศัยอาศัยวัตถุเกิดขึ้นพระวิปปยุตตาปัจจัยในมืเล็บย่อ อธิปัจจัยเป็นต้นหเพราะอธิปัจจัยเพราะนัตถิปัจจัยเพราะวิกตปัจจัยเพราะอาวิกตปัจใจหนึ่งปัจจญานุโลมสองสังขยาวานสุทธนัย6เหตุปัจจัยมีสามบาระอารมณปัจจัยมีสามบาระละอวิกตปัจจัยมีสามบาระเหตุทุกนัยเป็นต้นเจ็ด อารามณปัจจัยกับเหตุปัจัยมีสามวาระละวิปากปัจจัยก well. ับเหตุปัจจัยมีสองวาระละอวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระละเหตุปัจจัยกับอารามณปัจจัยและอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระละวิปากปัจจัยกับอารามณปัจจัยและอธิปฏิปัจจัยมีสองวาระละ อวิคตปัจจัยกับอารามณปัจจัยและที่ปฏิปัจจัยมีสามวาระละเหตุปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสมวาระละกามปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระอาหารปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสมวาระละอวิคตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสมวาระละเหตุปัจจัย วิปากับปัจจัยมีสองวาระอารมณปัจจัยกับวิปากัปัจจัยมีสวาระอธิปติปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีสองวาระละปุเรชาตปัจจัยกับวิปากัปัจจัยมีสวาระกรมมปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีสวาระละชานปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีสองวาระมัคคปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีสองวาระละ อวิคตปัจใจกับวิปากปัจจัยมีสวาระละเหตุปัจจัยกับชานปัจจัยมีสวาระละวิปากปัจจัยกับชานปัจจัยมีสองวาระละอวิคตปัจจัยกับชานปัจจัยมีสวาระละเหตุปัจจัยกับมัคคปัจจัยมีสวาระละวิปากปัจจัยกับมัคคปัจจัยมีสองวาระละอวิคตปัจจัยกับมัคคปัจจัย มีสามบาระละเหตุปัจจัยกับอวิกตปัจจัยมีสามบาระละนาิปัจจัยกับอวิกตปัจจัยมีสามบาระอวิกตปัจจัยกับอวิกตปัจจัยมีสามบาระละในวุฒิปื้ขยายพิจารณาเหมือนกับการนับปัจจัยแห่งกุศลติกะสปัจจยปัจจานยะหนึ่ง วิพังขวานนาเหตุปัจจัย 8. สภาวธรรมที่ตัมปยุตด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะนาเหตุปัจจัยได้แก่ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่เป็นนาเหตุกะซึ่งสัมปยุตด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนา อาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะนาเหตุตุปัจจัยได้แก่ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่ทอรครด้วยทุกข์และกายวิญญาณเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมัสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะนะเหตุตุปัจจัยได้แก่ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่เป็นนาเหตตุกะ ซึ่งจำปยุติด้วยทุกขมาสุขเวทนาเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสอง เ, เกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นเหตุตุกะขันสองอาศัยขันหนึ่งที่จำปยุติด้วยทุกขมาสุขเวทนาเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้นโมหะที่ทรคตด้วยวิจิเกชฌาและอุทัจจะอาศัยขันที่ทรคตด้วยวิจิเกชฌาและอุทัจจะเกิดขึ้นหน้าอธิปฏิปัจจเก้า สภาปธรรมที่สัมยุญด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที AS, TH th ่สัมยุญด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะนาธิปฏิปัจใจในวงเล็บปฏิตนทีมีนาทิปฏิปัจจัยบริบูรณ์นปุเรชาตปัจจัย10สภาวธรรมที่สัมยุญด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่สัมยุญด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะนปุเรชาตปัจจัย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 ที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขม at, สุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้ว ย, ว ท, Guru, on, 2, ยทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะนับปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในรูปปาจรภูมิขันสองอาศัยขันหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสองอาศัยขันหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้น นปัจฉาชาตปัจจัยและวนะอาเสวนปัจจัยบเอสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะนปัจฉาชาตปัจจัยเพราะน้อาเสวนปัจจัยในมือเล็บนปัจฉาชาตปัจจัยและน้อาเสวนปัจจัยต่างก็มีปฏิสนธิบริบูรณ์นกกรรมมปัจจัยบสอง สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะนกกรรมมปัจจัยได้แก่เจตนาที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาอาศัยขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะนกกรรมมปัจจัย ได้แก่เจตนาที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาอาศัยขันธ์ที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมัสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมัสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่สัมปยุตด้วยอทุกขมัสุขเวทนาอาศัยขันธ์ที่สัมปยุตเอทุกขมัสุขเวทนาเกิดขึ้น นวิปากับปัจจัยและนาชานปัจจัย 13. สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่สามปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเ พ, เพราะนวิปากับปัจจัยเพราะนชานปัจจัยได้แก่ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่สรรัตรคตด้วยสุขและกายวิญญาณเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกข เวทนาอาศัยสภาวาธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะนัชานปัจจัยได้แก่ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่ถอรคตด้วยทุกข์และกายวิญญาณเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวาธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมตสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะนัชานปปัจจัยได้แก่ขันสองอาศัยขันหนึ่ง ที่ถรา ร, รตด้วยจตุวิญญาณเกิด ข, ขึข Buddha, hm ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้นนมัคคปัจจัย14สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะนมัคคปัจจัยได้แก่ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่เป็นเหตุกะซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้น สภาวธรรมที่สามปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่สามปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะนามกัคปัจจัยได้แก่กันสองอาศัยกันหนึ่งที่สรคตด้วยทุกข์และกายวิญญาณเกิดขึ้นกันหนึ่งอาศัยกันสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สามปยุทธ์ด้วยอทุกขมตสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่สามปยุทธ์ด้วยอทุกขมตสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะนามกัคปัจจัย ได้แก่ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอเหตุทุกะซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยทุกขมาสุขเวทนาเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิตนธิขณะ ท, ที่เป็นอเหตุทุกะขันสองอาศัยขันหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมาสุขเวทนาเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขนั น, ขนสองเกิดขึ้นนาวิปยุทธต ป, ปัจจัย 15. สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ ด, ด้วยสุขเวทนา อาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะนวิปยุทธตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันสองอาศัยขันหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมัสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะนวิปยุทธตปัจจัย ได้แกในอรู ป, ปาวจรภูมิขันสองอาศัยขันหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมัสสุขเวทนาเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้น 2. ปัจจยะปั จ, จนียะ 2. สังขยาวานสุทธนัย1หในเหตุปัจจัยมีสามวาระหนาอาทิย์ปฏิปัจจัยมีสามวาระ นปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระนปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระนอาเสวนปัจจัยมีสามวาระนกรรมมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีสามวาระนาชานปัจจัยมีสามวาระนมัคปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระนเหตุตุทุกกไย17 หน้าที่ปฏิปัจจัยกับในเหตุตปัจจัยมีสวาระนปุเรชาติปัจจัยกับในเหตุตปัจจัยมีหนึ่งวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับในเหตุตปัจจัยมีสวาระนอาอาสวะนปัจจัยกับในเหตุตปัจจัยมีสวาระนกรรมมปัจจัยกับในเหตุตปัจจัยมีสองวาระนวิปากับปัจจัยกับในเหตุตปัจจัยมีสองวาระน้าชาหนปัจจัยกับในเหตุตปัจจัยมีสามวาระ นามะขะปัจัยกับนเหตุปัจจัยมีสาวาระนวิปยุตตาปัจใจกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละเจตุกไนนปาจฉาชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจใจนาทิปฏิปัจใจได้นับปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระณอาเสวนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ นกกรรมปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนวิปาปปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัมขปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระละนวกนัยนวิปยุตตาปัจจัยกับในเหตุปัจจัยนาธิปฏิปัจจัยณปุเรชาตปัจจัยณปัจชชาตปัจจัยณอาเสวนปัจจัยนกกรรมมปัจจัย นวิปากับปัจจัยและนมรคปัจจัยมีมีหนึ่งวาระหนึ่งเล็บย่อณอธิปติทุกไนัย18ปดในเหตุปัจจัยกับหน้าอธิปฏิปัจจัยมีสาวาระนปุเรชาตปัจจัยกับหน้าอธิปฏิปัจจัยมีสองวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับหน้าอธิปฏิปัจจัยมีสาวาระ น้อาเสวะนปัจจัยกับหน้าอธิปฏิปัจจัยมีสาวาระน้กรรมมปัจจัยกับหน้าอธิปฏิปัจจัยมีสาวาระน้วิปากปัจจัยกับหน้าอธิปฏิปัจจัยมีสาวาระน้าฌานหปัจจัยกับหน้าอธิปฏิปัจจัยมีสาวาระน้มะขะปัจจัยกับหน้าอธิปฏิปัจจัยมีสวาระน้วิปยุตตาปัจจัยกับหน้าอธิปฏิปัจจัยมีสองวาระในมือเล็บย่อ นปุเรชาตทุกข์กันไหนสเกนเหตุตุปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระหน้าที่ปฏิปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระน้ปัจฉาชาตปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระน้อาเสวนปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระน้กรรมมปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระ นวิปากับปัจจ Vatic ัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระนมัขคปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระติดกนัยนหน้าที่ปฏิปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมี1วาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ นอาเสว่นปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนกรรมปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปากปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคะปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนเหตุุปัจจัยมีหนึ่งวาระในวุงเล็บย่อ ทุกขกันมีน mm ับ hmm. ปัจฉาชาตาปัจจัยเป็นต้นย em ี่สิบนเหตุปัจจัยกับนับปัจฉาชาตาปัจจัยน่าเสวนปัจจัยและนกกรรมมปัจจัยมีสองวาระหน้าที่ปฏิปัจจัยกับละมีสามวาระนปุเรชาตาปัจจ eh ัยกับละมีสองวาระนับปัจฉาชาตาปัจจัยกับละมีสามวาระ นอาเสวนปัจจัยก e ับละมีสวาระนวิปากปัจจัยกับละมีสาวาระนมัคคับปัจใจกับละมีสองวาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมีสองวาระติกไนนาทิปติปัจใจกับนักกรรมปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระนาปุเรชาตาปัจใจกับนักกรรมปัจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ นาปัจฉาจารปัจจกับนกรรมมปัจัยและนเหตุปัจัยมีสองวาระนอาเัวนปัจัยกับนกรรมมะปัจัยและนเหตุุปัจัยมีสองวาระนวิปากับปัจัยกับนกรรมมปัจัยและนาเหตุปัจัยมีสองวาระนมคคปัจัยกับนกรรมมปัจัยและนเหตุตุปปัจใจมีหนึ่งวาระละ ปัญจกไนนาปัจฉาชาตปัจจัยกับนกกรรมมปัจจัยณเหตุปัจจใจนาทิปติปัจจัยและณาปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระณอาเสวนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนวิปากปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนมะกัปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในมืงเล็บย่อ นวิปากะทุกกะในยี่นเหตุปัจจัยกับนวิปากัปัจจัยมีสองวาระนาทิปติปัจจัยกับนวิปากัปัจจัยมีสวาระนปุเรชาติปัจจัยกับนวิปากัปัจจัยมีสองวาระนปัจฉาชาติปัจจัยกับนวิปากัปัจจัยมีสวาระนาอาเสวนปัจจัยกับนวิปากัปัจจัยมีสาวาระ นักกรมมปัจจัยกับนวิปาการปัจจัยมีสวาระนมรรคปัจจัยกับนวิปาการปัจจัยมีสองวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับนวิปาการปัจจัยมีสองวาระกับถึงกับนวิปาการปัจจัยในเมืองเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับนกกรรมมปัจจัยนัชานตุทุกขไนัย AH 22สนเหตุปัจจัยกับนัชานปัจจัยมีสวาระ หน้าที่ปฏิปัจัยกับนชานัจจัยมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับนชานัจจัยมีสามวาระนอาศัว่าหน้าปจัยกับนชานัจจัยมีสามวาระนมมะขปัจจัยกับนชานัจจัยมีสามวาระละชักไคนันมะขะปจัยกับนชานปัจจัยนเหตุปัจจัย หน้าทิปติปัจจัยาปัชชาตาปัจจัยและณอาเสวนปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บย่อนมัคคทุกขนัย23นเหตุปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีสามวาระหน้าทิปติปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีสาวาระหนปุเรชาตปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระหน้าปัชชาตาปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีสามวาระ นอาเสยวณัปป์ใจกับนามัคคปัจจัยมีสวาระนกรรมมปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีสองวาระนวิปากปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีสองวาระนาชาณปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีสวาระนวิปยุตปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระนาที่ปฏิปัจจัยกับนมัคคปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสวาระ นปุเรชาตปัิจัยกับนมัคคปัิจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับนมัคคปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสวาระนาอาเสวนปัจจัยกับนมัคคปฏิจัยและนเหตุปัจจัยมีสวาระนกรรมปัจจัยกับนมัคคปัจจัยและนเหตุปัจจัยมี2วาระนวิปากปัจจัยกับนมัคคปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระ นัจานปัจัยกับนมัคคปัจจัยและวนเหตุปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตปัจัยกับนมัคคปัจจัยและวนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละปัญจกนัยนปัจฉาชาตปัจจัยกับนมัคคปัจใจนะเหตุปัจใจนัอธิปติปัจจัยและนปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระนอาเสวนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนกรรมปัจจัยกับ ละมีหนึ่งวาระนวิปปาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนวิปปยุตตปรจัยกับละมีหนึ่งวาระนโมเล็บย่อนวิปปยุตตทุกขนัย24สนเหตุปัจจัยกับนวิปปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระนอธิปติปรจัยกับนวิปปยุตตปรจัยมีสองวาระนปุเรชาตปัจจัยกับนวิปปยุตตปัจจัยมีสองวาระ นปัจฉาตารปัจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยมีสองวาระนอาเสวะนปัจใจกับนวิปยุตตาปัจจัยมีสองวาระนกรรมปัจใจกับนวิปยุตตาปัจจัยมีสองวาระนวิปากปัจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยมีสองวาระนมัคขปัจใจกับนวิปยุตตาปัจจัยมีหนึ่งวาระติกนัย หน้าที่ปฏิปจัยกับนวิปปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระน้ปุเรชาตปัิจัยกับนวิปปยุตตปัจจัยและนเหตุุปัจจัยมีหนึ่งวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับนวิปปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระน้าอาเสวนปัจจัยกับนวิปปยุตตปัิจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนกรรมปัจจัยกับนวิปปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ น, Calvin, น, hablando, น plotted, วิปากัปัจจัยกับ น, น canción, วิปยุตตาปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนามะขะปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละนวกคค์ไนนมะขะปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยนาเหตุปัจจัยและนาอธิปฏิปัจจัยนาปุเรชาตปัจจัยนาปัจฉาชาตปัจจัยนาอาเสวนปัจจัยนากรรมมปัจจัยและนวิปากัปัจจัย มีหนึ่งวาระในวงเล็บยอ่อการนับปัจจียะจบสามปัจจยานุโลมปัจจนยะเหตุทุกกันในยี่สิบห้านาอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสองวาระ นปัจฉาชาตปัจจัยกับเพรตุปัจจัยมีสามวาระนอาเสวนปัจจัยกับเพรตุปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับเพรตุปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจัยกับเพรตุปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตาปัจจัยกับเพรตุปัจจัยมีสองวาระติกะไนนาทิปฏิปัจจัยกับเพรตุปัจจัยและอารามะนปัจจัยมีสามวาระ นปุเรชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมีสวาระนอาเสวนปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมีสวาระนกรรมปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมีสวาระนวิปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมีสวาระนวิปยุตปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมีสองวาระ ในมุงเล็บเพิงนับเหมือนกุตตรติกะอนุโลมปัจญจิยจบ 4. ปัจจยปัจญจิยานุโลมในเหตุทุกกนในยี่อารามณปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมีสามบาระอนันตระปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมีสามบาระสมานันตรปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมีสามบาระ สหชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสามวาระนิสัยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระอุปนิสยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระอาเสวะนปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระกัมมปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระ วิปากปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระอาหารปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสมวาระอินตรียปัจจัยกับนเหตุุปัจจัยมีสามวาระชาณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระมัคคปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตะปัจจัยกับนาเหตุุปัจจัยมีสมวาระวิปยุตตะปัจจัยกับนเหตุปปัจจัยมีสามวาระ อธิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระนาติปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระวิคตัปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตัปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสามวาระติกนณ์อารมณปัจจัยกับนเหตุุปัจจัยและนอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระอนันตรัปัจจัยกับนาเหตุุปัจจัยและนอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระ สมานันตระปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยและนาอธิปติปัจจัยมีสามวาระสหชาตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยและนาอธิปติปัจจัยมีสามวาระอัญญามัญญาปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยและนาอธิปติปัจจัยมีสามวาระนิตยปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยและนาอธิปติปัจจัยมีสามวาระอุปนิสตยปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยและนาอธิปติปัจจัยมีสามวาระ ปุเรชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอธิปฏิปัจจัยมีสาวาระอาเสวะนปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอธิปฏิปัจจัยมีสองวาระกามะปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอธิปฏิปัจจัยมีสวาระวิปากระปัจจัยกับนเหตุปัจจัยแลยนะอธิปฏิปัจจัยมีสาวาระ อาหารปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยและนะอธิปฏิป <tuh> ัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยแลยนะอธิปฏิปัจจัยมีสาวาระชาณปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยและนะอธิปฏิปัจจัยมีสองวาระมรคปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยและนะอธิปฏิปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตาปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยและนะอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระ วิทยุตประจัยกับนาเหตุปัจจัยและนะอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระอธิประจัยกับนาเหตุปัจจัยและนะอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระนาฏิปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยและนะอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระวิกตตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยและนะอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระอวิกตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยแลยนะอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระจะตุกกนัย อารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยณอธิปติปัจจัยและณปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระสมนันตระปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระสหชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนิตยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอุปนิทยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ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 วิปยุตตาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาธิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระละสัตตกัยอารมณปัจจัยกับนเหตุปัจใจนาอธิปฏิปัจใจนาปุเรชาตปัจใจนาปัจชาชาตปัจจัย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 นตยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอุปนิตยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระชานปันนจจัยกับละมีหนึ่งวาระสมปยุตตาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ วิกัตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิกัตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในวงเล็บย่อในเหตุมูลก น, นัยจบหนอธิปฏิทุกนยัย27เหตุปัจจัยกับหนอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระละอวิกัตตปัจจัยกับหน้าอธิปฏิปัจจัยมีสาวาระในวงเล็บย่อ นปุเรชาตทุกกนัย28สเหตุปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระละอวิคตปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระหนึ่งเล็บย่อทุกกนัยมีนปัจฉาชาตปัจจัยเป็นต้น29เหตุปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยกับนอาเสวนปัจจัย กับนกกรรมปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีสามวาระและอวิคตปัจจัยมีสมวาระในมือเล็บย่อนชานทุกกะนัย30อารามะนปัจจัยกับนชานปัจจัยมีสามวาระอนันตระปัจจัยกับนชานปัจจัยมีสามวาระสมานันตระปัจจัยกับนชานปัจจัยมีสามวาระ สหชาตปัจจัยกับนัชชาณปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญาปัจจัยกับนัชชาณปัจจัยมีสามวาระนิตยญปัจจัยกับนัชชาณปัจจัยมีสามวาระอุปนิสตยปัจจัยกับนัชชาณปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตปัจจัยกับนัชชาณปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยกับนัชชาณปัจจัยมีสามวาระ วิปากปัจจัยกับนาชานปัจจัยมีสามวาระอาหารปัจจัยกับนาชานปัจจัยมีสามวาระอินทริยปัจจัยกับนาชานปัจจัยมีสามวาระสัมปยุทธ์แต่ปัดใจกับนาชานปัจจัยมีสามวาระวิปรยุทธ์แต่ปัดใจกับนาชานปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยกับนาชานปัจจัยมีสามวาระนาถิปัจจัยกับนาชานปัจจัยมีสามวาระ วกัตปัจจัยกับนชานปัจจัยมีสามวาระอวิกัตปัจจัยกับนชานปัจจัยมีสามวาระในมึงเล็บย่อนมัคคทุกกไนสามออารามณปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีสามวาระอนันตรปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีสามวาระสมาันตรปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีสามวาระละ อาเสวนาปัจจัยกนัมมะขะปัจจัยมีหน Sus ึ่งวาระกรรมมปัจจัยกนัมมะขะปัจจัยมีสาวาระละชาณะปัจจัยกนัมมะขะปัจจัยมีสองวาระละอวิคตะปัจจัยกนบมมะขะปัจจัยมีสาวาระในวงเล็บย่อนาวิปยุตตาทุกกไย32เหตุปัจจัยกนัวิปยุตตาปัจจัยมีสองวาระ อารามณปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยมีสองวาระอธิปติป uh. okay. ัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยมีสองวาระอนันตรปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระสมานันตรปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระสหชาตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระ นิตยปัจจัยกนวิปยุตปัจจัยมีสองวาระอุปนิตยปัจจัยกนวิปยุตปัจจัยมีสองวาระอาเสวณปัจจัยกนวิปยุตปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยกนวิปยุตปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยกนวิปยุตปัจจัยมีสองวาระอาหารปัจจัยกนวิปยุตปาจัยมีสองวาระ อินทรียปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระชาณปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระมัคคะปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระสัมปยุตตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระอธิปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยมีสองวาระนาฏิปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระวิคตปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยมีสองวาระ อวิตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระติกนัยอารามณปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยและนะเหตุตัปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตรปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสมนันตราปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสหชาตปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ อัญญามัญญาปัจใจกับนวิปปยุตตะปัจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนิตยาปัจจัยกับนวิปปยุตตะปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอุปนิตทยปัจใจกับนวิปปยุตตะยปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอาเสวะนปัจใจกับนวิปปยุตตะปัจจัยและนะเหตุุปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับนวิปปยุตตะปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ อาหารปัจจัยกับนวิปปยุตตาปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอินตรียปัจจัยกับนวิปปยุตตาปัจจัยแล้นะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระชาณปัจจัยกับนวิปปยุตตาปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระมัคคปัจจัยกับนวิปปยุตตาปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยแล้นะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ อธิปัจจัยกนวิปปยุตตาปัจจัยและนะเหตุุปัจจัยมีหนึ่งวาระนัธธิปัจจัยกับนวิปปยุตตาปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระวิขตปัจจัยกับนวิปปยุตตาปัจจัยและนะเหตุุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิขตปัจจัยกับนวิปปยุตตาปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละทัศกนัย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 อธิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัตถิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิกตาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิกตาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาร ะ, าา ะ, าระปัจญจิยานุโลมจบปฏิจจวาลจบ